จะใช้อะไรตัดสินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลของกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ไม่ว่าจะถูกห่อหุ้มด้วยโลคอันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทางพุชี้ว่าคุณกําลังอยู่กับผลกรรมของตัวเองถ้าไม่ใช่กรรมใหม่ก็กรรมเก่าพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่ากรรมเก่าของมนุษย์ก็คือสิ่งที่เลือกไม่ได้ตั้งแต่เกิด ได้แก่กายแบบมนุษย์นี้และจิตสำนึกแบบมนุษย์นี้ส่วนกรรมใหม่ของมนุษย์คือสิ่งที่เลือกได้ว่าจะให้เป็นอย่างไรได้แก่เจตนาดีชั่วเบียดเบียนหรือเกื้อกูลมีศีลหรือทุศีลฉะนั้นหากสิ่งใดบังเกิดขึ้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้พ้นจากการควบคุมหรือขวนขวายพยายามสิ่งนั้นเป็นผลของกรรมเก่า เช่นถูกรางวัลใหญ่ที่เข้าจัดรายการชิงโชคหรือจูจูมีตีนผีขามาชนท้ายดือด้อๆแต่หากสิ่งใดเกิดขึ้นด้วยผลของความพยายามความตั้งใจให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางใจทางความรู้สึกสิ่งนั้นเป็นผลของกรรมใหม่เช่นเลือกที่จะไม่ทำร้ายตอบคนที่ทำร้ายก่อน จึงเบาใจจากการไม่ต้องสู้รบมือเลือกที่จะไม่ผิดกามเมทั้งที่มีโอกาสจึงโล่งใจไม่ต้องรู้สึกผิดในภายหลังเลือกที่จะปลีกตัวออกจากสังคมมาหัวราน้าจึงปลอดโร่งกายใจไม่ต้องสติเพียนกรรมเก่าเป็นตัววางแผนว่าชีวิตนี้คุณต้องพบกับอะไรส่วนกรรมใหม่ เป็นตัวแทรกแซงให้เกิดอะไรขึ้นหลังจากพบกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสรุปโดยย่นยอ่อการตั้งความเชื่อแบบพุทธคือทำไว้ในใจว่ากรรมไม่ได้เริ่มทำกันที่ชาตินี้ชาตินี้เกิดมาเป็นอย่างนี้ด้วยผลของกรรมเก่าแต่คนที่นึกว่าอะไรอะไรถูกกำหนดไว้หมดแล้ว ดิ้นหนีหรือทำอะไรให้ดีขึ้นไม่ได้แล้วจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเหตุกรรมใหม่ในแบบงอมืองอเท้าไม่ใช่ทางไปสู่ความเจริญไม่ใช่เหตุแห่งความสบายกายสบายใจทั้งวันนี้และวันหน้า